สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับกลับเข้าสู่คลังสยองและวันนี้ก็อีกเช่นเคยผมมีเรื่องเล่าน่ากลัวตื่นเต้นและสยองขวัญมาเล่ากับท่านผู้ฟังทุกท่านได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งและเรื่องเล่าที่ผมจะนามาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันในครั้งนี้มีชื่อเรื่องว่าแม่หลวงสิ้นดำสุชาเธอได้ลายแทงโฮมสเตย์สุดเก๋กลางธรรมชาติที่ลำปาง มาจากเพื่อนสมัยเรียนคนหนึ่งที่ไปมาแล้วก็ชอบมากถึงขนาดถ่ายรูปอวดลงเว็บลงเฟ e บุ๊ k เป็นร้อยรูปโฮมสเตย์ที่นี่มีความเก๋ตรงที่มันเป็นโฮมสเตย์จริงๆอย่างเข่งครัดตามคำศัพท์ของมันไม่ใช่ว่าเป็นโรงแรมหรือรีสอร์ทนำมาแปลงเป็นลักษณะคล้ายๆบ้านหรือประยุกมาที่นี่เป็นที่ที่มีคนอาศัยอยู่จริงๆโดยมีสสามีภรรยาเป็นเจ้าของบ้านคือตาจรกับยายเล็ก ที่ทั้งสองคนนั้นมีอาชีพเกษตรกรไร่ข้าวโพดและเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวจำนวนมากและที่เด็ดก็คือรอบรอบบ้านของแกทั้งสองคนรายล้อมไปด้วยป่าสมุนไพรที่ตาจรกับแจเล็กปลูกไว้ทั้งขายและใช้บางชนิดเป็นสมุนไพรที่หายากในแบบที่คนปัจจุบันแทบจะไม่เคยได้ยินชื่อเลยก็มีนักท่องเที่ยวที่มาพักที่นี่ จะได้รับอิสระในการเดินชมไร่และความสัตว์ของตาจรกับยายเล็กอย่างใกล้ชิดอยากจะลองทำอะไรยายเล็กก็จะพาทำจะสอนให้ทั้งการต้อนวัวการอาบน้ำหมูใส่ปุย๋ยรด น, น้ำต้นไม้รดน้ำผักอาหารที่ทำกินกันเองในบ้านรวมถึงอาหารที่ทำต้อนรับนักท่องเที่ยวนั้นก็จะเน้นไปทางอาหารที่ทำจากสมุนไพรที่ปลูกรอบๆ บ, บ้านนั่นเอง ชื่อแต่ละเมนูก็น่ากินอย่างเช่นข้าวยำมสมุนไพรดอกไม้ทอดวุ้นตะไคร่เมี่ยงสมุนไพรแกงขมิ้นปลาส้อยทำออกมาก็หน้าตาดีแถมดีกับสุขภาพอีกต่างหากสุชาเห็นเพื่อนรีวิวแบบนั้นก็แทบอยากจะเก็บกระเป๋าออกมาวันนั้นเลยทีเดียวหลังจากการรอจองนานนับเดือนพอรับนักท่องเที่ยวได้ครั้งละหนึ่งห้องเท่านั้นในที่สุด สุชาก็ได้คิวเข้าพักเสียทียจเล็กกับตาจรค่อนข้างแปลกใจในตอนแรกเมื่อได้รู้ว่าเธอเดินทางมาคนเดียวไม่มีใครมาด้วยสุชาก็ยิ้มยิ้มเธอบอกไปว่าเป็นเรื่องปกติของเธอเองที่มักจะเดินทางท่องเที่ยวไปไหนมาไหนคนเดียวแบบนี้แหละหญิงสาวเตรียมกล้องถ่ายรูปมาด้วยและขออนุญาตใจยเล็กเดินถ่ายรอบๆ บ, บ้านและบริเวณที่พัก ย, ยเล็กยิ้มแย้มและตอบว่าตามสบายเลย แต่เตือนเอาไว้ว่าอย่าเดินเข้าไปตรงๆงทึบหลังบ้านที่กั้นเชือกเอาไว้เพราะว่ามีไม้พิษไม่รู้จักไปโดนเข้าจะเป็นอันตรายได้สุชาก็ตอบตกลงรับคำหลังจากนั้นหญิงสาวก็เดินเก็บภาพต้นไม้สวยๆแปลกๆไปเรื่อยๆเน้นไปทางสมุนไพรและดอกไม้ที่รูปร่างแปลกๆที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนถ่ายไปก็โพสต์ไปถามคุยกับเพื่อนๆในกลุ่มไลน์ ว่ามีใครรู้จักต้นไม้ชนิดนั้นชนิดนี้บ้างเพื่อนๆในกลุ่มก็พากันแตกตื่นสนุกสนานไปด้วยเพราะชอบต้นไม้เหมือนๆกันสุชาเดินไปถึงดงไม้ทึบหลังบ้านที่มีเชือกกั้นไว้เธอรู้ดีว่ายายเล็กห้ามให้เข้าไปข้างในเธอก็ไม่ได้ละเมิดแต่ก็ยืนชะเง้อมองกวาดสายตาหาต้นไม้สวยๆแปล ก, กๆเพื่อที่จะถ่ายรูปจนไปเจอกับต้นหนึ่งคล้ายกาฝาก มีตะปุ่มตะป่ำเหมือนปีศาจมีกลิ่นเหม็นโชยออกมาจากดงนั้นคล้ายกลิ่นซากสัตว์เนา่าทีแรกสุชาถึงกับพงะแต่โดยความอยากรู้ว่าต้นไม้ต้นนั้นมันคืออะไรเธอจึงเล็งกล้องและซูมเข้าไปกดถ่ายภาพแล้วส่งเข้ากลุ่มไลน์เช่นเคยและตอนนั้นเองที่เธอสังเกตเห็นรอบโคนต้นไม้นั้นที่ใต้โคนต้นไม้นั้นมีซากไก่ใต้ใบใๆอยู่ตัวหนึง่งและเปลือกไข่กลองอยู่เต็มไปหมด นี่เองที่เป็นที่มาของกลิ่นเหม็นเนา่าสุชากำลังจ้องมองต้นไม้ประหลาดนั้นก็พอดีเหมือนเห็นมีอะไรเคลื่อนไหวอยู่หลังดงไม้เมื่อมองดูก็ปรากฏเป็นยายแก่ผมขาวทั้งหัวใส่เสื้อสีดำนุ่งสิ้นสีดำทำหน้าตาดุดูเดินก้มหน้าแต่ชำเลืองตามามองสุชาดวงตาของแกนั้นเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ทำให้หญิงสาวคนลุกเกลียวเย็นยะเยือกไปทั้งตัว เธอเหมือนถูกตรึงไว้กับที่อยู่พักใหญ่แล้วก็ต้องสะดุ้งเฮือกเมื่อรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างมาสะกิดที่บ่านูเข้าบ้านเธอลูกค่าแล้วกินข้าวกันยายเล็กยิ้มละไหม่ตอนนี้สุชาเองก็เพิ่งสังเกตว่าฟ้าเริ่มมืดลงแล้วโดยที่เธอไม่รู้ตัวเลยตอนหัวค่าสุชาโพสถามเพื่อนๆคนรักต้นไม้แต่ดูเหมือนไม่มีใครจะตอบเธอได้เลยสักคนว่า ต้นไม้ประหลาดที่เธอถ่ายมานั้นมันคือต้นอะไรสุชาเลยลองถามยายเล็กกับตาจรดูตาจรขมวดคิ้วยุ่งไม่ตอบแต่ยายเล็กยิ้มน้อยๆแล้วตอบว่าอ๋อกางปอนจ้ะมันเป็นว่านปลูกไว้เป็นพืชมงคลไว้ปกปักรักษาบ้านน่ะสุชาเลยยิ้มออกมาได้และรีบพิมพ์บอกเพื่อนๆในไลน์แต่จูๆ่ๆตาจรกร็พูดเสียงแข็งขึ้นว่าที่หลังอะ คุณอย่าไปยุ่งกับที่แถวนั้นอีกนะแล้วเห็นอะไรแปลกๆก็ไม่ต้องไปเล่าที่ไหนหญิงสาวแปลกใจเออคุณตาหมายถึงคุณยายที่แกนุ่งสิ้นดำเสื้อดำที่แกอยู่ในโดงไม้นหรือเปล่าคะบ้านแกอยู่ในนั้นหรือคะคุณยายคุณตาแล้วแกเป็นคนบ้านนี้หรือเปล่ายายเล็กขุบยิ้มทันทีส่วนตาจรหน้าซีดเผือดและรีบเก็บข้าวเก็บจานของตัวเองแล้วเดินออกไปทันทียายเล็กถามต่อว่า ห น, หนูเห็นแม่หลวงเหรอลูกสุชาพยักหน้าใช่ค่ะหนูเจอยายเออแม่หลวงแก่มากๆเลยนะคะผมขาวทั้งหัวเลยนุ่งชุดสีดําแล้วก็ทําหน้าดุๆด้วยค่ะสุช า, าเห็นแกเดินอยู่หลังดงไม้ที่หลังบ้านเนี่ยค่ะยังไม่ทันได้ยกมือสวัสดีกเลยแกก็หายไปแล้วแล้วก็ไม่ได้คุยอะไรต่อเลยยายเล็กพยักหน้าแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรต่ออีกได้แต่บอกให้สุชา ไปอาบน้ําอุ่นที่เตรียมไว้ที่โอ่งนอกชานด้านหลังบ้านแล้วรีบเข้านอนเพราะอากาศตอนกลางคืนที่นี่มันจะเย็นมากพร้อมกับกําชับว่าตอนกลางคืนถ้าปวดท้องจะเข้าห้องน้ําให้มาเคาะเรียกยายก่อนยายจะเดินไปเป็นเพื่อนเพราะว่าที่นี่ห้องน้ําจะอยู่แยกจากตัวบ้านต้องเดินลงไปข้างล่างมืดๆหญิงสาวทําตามคําแนะนําของยายเล็กทุกอย่างอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จก็มาเข้านอน นั่งเช็กรูปที่ถ่ายมาเมื่อกลางวันไปพางเช็ดคุยไลยกับเพื่อนๆไปพลางจนเริ่มง่วงเพื่อนในไลตอบสุชาขณะจะเข้านอนว่ายายสุชาแกเห็นซากไก่กับไข่ไก่นั้นไหมอืมเห็นทาไมเหรอตอบได้เพียงเท่านั้นสัญญาณเน็ตก็ขาดหายไปจนไม่สามารถจะคุยต่อได้อีกคืนนั้นสุชาเลยนอนหลับไปแบบงงๆ หลับไปได้ไม่นานเท่าไรนักสุชาก็งัวงเงียตื่นขึ้นมาเพราะรู้สึกปวดฉี่นึกโทษตัวเองที่ก่อนนอนดื่มนมเข้าไปกล่องหนึ่งเพราะความเคยชินเธอเค่อยๆลุกขึ้นเปิดผ้าห่ม อ, ออกอากาศหนาวแทรกเข้ามาสัมผัสกับผิวกายของเธอจสนสท้นเธอเดินออกมายืนอยู่หน้าประตูห้องนอนของยายเล็กกับตาจรสุชา ย, ยกมมือขึ้นกำลังจะเคาะประตูตามที่ยายเล็กได้สั่งเอาไว้แต่ก็ไม่กล้าเธอลังเลอยู่พักหนึ่ง ความรู้สึกปวดฉี่ก็เริ่มทวีคูณขึ้นจนแทบจะทนไม่ไหวอากาศที่หนาวเย็นมันทำให้เธอต้องรีบตัดสินใจเดินออกมาจากห้องเพียงลำพังและคว้าเอาไฟฉายกำลังสูงพกติดตัวมาด้วยตอนขาไปนั้นสุชาไม่มีเวลามามองบรรยากาศรอบข้างเพราะกลัวว่าจะวิ่งเข้าห้องน้ำไม่ทันจนเมื่อฉี่เสร็จแล้วเดินออกมาเท่านั้นแหละเธอจึงเริ่มรู้สึกได้ว่าบรรยากาศรอบข้างนั้นมันช่างวังเวงสิ้นดีทั้งมืด และน่ากลัวชวนให้คนลุกขนพองน่าดูโดยเฉพาะกับการที่ต้องอยู่คนเดียวแบบนี้คืนนั้นบรรยากาศเงียบถึงขนาดที่ว่าไม่มีแม้เสียงแมลงกลางคืนร้องท้องฟ้านั้นไม่เห็นแสงดาวและพระจันทร์เพราะว่ามีเมฆหมอกหนาก่อตัวต่ำคลุมอยู่มันหนาวและอึดอัดอย่างที่สุชาไม่เคยรู้สึกมาก่อน หญิงสาวใช้กระบอกไฟฉาย29เก้าเดินไปข้างหน้าบนทางแคบๆ เ, เธอรีบเข้าตัวบ้านแต่ก็ต้องสะดุ้งตัวโยงเมื่อได้ยินเหมือนเสียงกระซิบกระซาบของใครบางคนดังขึ้นอยู่ไกลๆมันเป็นเสียงแหบๆแหลมๆของหญิงชราคนหนึ่งดังขึ้นฟังปกไปเฮียไปเฮียฟังไปเฮียตอนนี้หญิงสาวสั่นสะท้านไปทั้งตัว ทั้งโดยความหนาวและความกลัวจับขั้วหัวใจก้าวขาแทบไม่ออกเธอรู้สึกเหมือนมีใครเดินวนไปวนมาอยู่รอบๆตัวเธอตลอดเวลาแต่เธอก็ไม่กล้าส่องไฟดูเธอรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีเดินจ้ำขึ้นไปบนบ้านอย่างรวดเร็วแล้วเกิดสะดุดล้มจนเจ็บขาพอจะลุกขึ้นก็อดที่จะระแวกไม่ได้และกว่าตามองไปรอบๆตัวทำให้เธอมองเห็นร่างของยายแก่ผมขาวใส่ชุดดายืนอยู่ไม่ไกล ร่างนั้นมองเธอมาเรากลับไม่พอใจพร้อมทำปาก ข, ขมุคขมิบเหมือนพูดอะไรบางอย่างที่ฟังแล้วไม่ได้สับหญิงสาวรวบรวมกำลังวิ่งขึ้นบ้านทั้งๆ ท, ท, ที่ขายังขยกอยู่จนขาไปชนเข้ากับบันไดขั้นสุดท้ายเสียงดังโคมครามเมื่อขึ้นไปถึงบนบ้านก็ได้ยินยายเล็กเปิดประตูออกมาพอดีแล้วร้องทักด้วยน้าเสียงที่ร้อนรนอ้าวแม่หนูลงไปทาไมมีเลียกยายยายอุตส่ากาชับไว้แล้วไม่ใช่เหรอ สุชาน้ำตาคลอมือคลําข้อเท้าที่เจ็บมือยังเย็นเฉียบแต่เหงื่อแตกไปทั้งตัวใายเล็กเห็นหน้าของสุชาก็เหมือนจะเข้าใจว่าเธอนั้นไปเจอกับอะไรมารีบเปิดไฟจุดสว่างทั้งบ้านแล้วก็เอายามานวดให้แล้วเอาหนังสือสดบนมให้เธอแล้วก็บอกกับเธอว่าแม่หลวงสิ่งดำใช่ไหมลูกเขาไม่ทําอะไรหนูหรอกเขามาช่วยปกปักบ้านป้องกันคนร้ายหนูไม่ต้องกลัวหรอกนะ แต่นั่นยิ่งทําให้สุชากลัวหนักเข้าไปอีกเธออยากจะถามเพิ่มว่าตกลงที่เห็นนั่นมันผีหรือคนแต่ก็กลัวเกินที่จะตั้งคําถามคืนนั้นยายเล็กเสนอให้สุชาเข้าไปนอนรวมกันที่ห้องของยายเล็กจะได้ไม่กลัวแต่สุชาตอบเกรงใจยืนยันว่าจะนอนที่ห้องของตนเองสุชากลับไปที่ห้องเธอเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เลอะเทอะโคนออกและเปลี่ยนเป็นชุดนอน แล้วนอนตะแคงสวดมนต์จนหลับไปสุชาตื่นขึ้นมาอีกทีกลางดึกพอได้ยินเสียงเดินไปเดินมาสวบสาบข้างล่างเหมือนมีคนกำลังเดินไปเดินมาอยู่ในใจกลัวก็กลัวแต่ความอยากรู้ทําให้เธอนอนกระสับกระส่ายอยากจะรู้อยากจะเห็นให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไปเลยว่ามันคืออะไรกันแน่เธอจึงตัดสินใจเอาไฟฉายกาลังสูงส่องลงไปที่หน้าต่างและสิ่งที่สุชาเห็นนั่นก็คือ ปรากฏเป็นยายแก่สิ้นดำคนเดิมยืนนิ่งจ้องเขม็งขึ้นมาที่เธอดวงตาวาวรถดเหมือนกำลังโกรธลิมฝีปากแดงกว้างแดงฉ่ำเหมือนกำลังเคี้ยวอะไรยสักอย่างพรางพูดกระซิบกระซาบว่าฟังไปเฮปิดไปเฮสุชาสะดุ้งวบับขนลุกไปทั้งตัวเธอรีบปิดหน้าต่างและเปิดไฟทั้งห้อง สวดมนต์ทุกบทเท่าที่จะจำได้เธอสั่นไปทั้งตัวเธอเข้าใจแล้วว่าคำว่ากลัวจนจับไข้นั้นเป็นยังไงเพราะตอนนี้จูจูก็มีอาการหนาวๆร้อนๆสลับไปมาร่าวกับคนป่วยหญิงสาวนอนไม่หลับจนเช้าได้ยินเสียงลายเตือนถึงรู้ว่าสัญญาณเน็ตนั้นกลับมาแล้วในลายนั้นคึกคักกันเป็นอย่างมากเพราะเพื่อนที่ออนอยู่ต่างเข้ามาบอกกับสุชาว่า อย่าได้ไปยุ่งกับต้นไม้ชนิดนี้เป็นเด็ดขาดเพราะเขาเรียกมันว่าว่านค้างปอนว่านชนิดนี้เป็นว่านแนวสยศาสตร์ปลูกไว้เพื่อเลี้ยงผีไว้ในว่านเพื่อเฝ้าจับขโมยและโจรโดยการเลี้ยงว่านชนิดนี้นั้นจำเป็นที่จะต้องเส้นไข่สดทุกๆวันหรือถ้าอยากจะให้ดุและแรงก็ต้องเชือดไก่เลี้ยงว่ากันว่าผีในว้านนี้ดุมาก มักจะออกมาปรากฏตัวในร่างของยายแก่นุ่งสิ้นดำแล้วก็เสื้อดำหรือไม่ก็จะมาปรากฏตัวในร่างของหมาดำหรือแมวดำขนาดใหญ่เพื่อข่มขู่ขโมยและโจรสุชาอ่านลายแล้วใจหายวาบับหมดอารมณ์จะชิวหมดอารมณ์จะไปเที่ยวต่อแล้วและเมื่อฟ้าสางเธอก็รีบลาใ ย, ยเล็กกับตาจรกลับโดยทันทีเมื่อเธอเดินทางกลับถึงกรุงเทพ เธอยังวาในเพื่อนผู้ชายช่วยลบภาพที่เธอไปถ่ายไว้ที่ลำปางออกให้หมดตัวเธอเองยังไม่กล้าเปิดไฟล์เหล่านั้นดูด้วยซ้ำเพราะอะไรน่ะเหรอก็เพราะว่ากลัวเปิดมาแล้วไปเจอเข้ากับภาพที่ไปถ่ายติดแม่หลวงสิ้นดำปากแดงเถื่อหน้าคนลุกขนพองคนนั้นเข้าน่ะสิฟังปไปเฮียไปเฮียฟังไปเฮีย